ถ้าบารมีเราพอนะเราก็จะได้ธรรมะเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นได้ดวงตาเห็นธรรมฆราวาสมีโอกาสโสดาสัาคขาเนี่ยไม่ยากเกินไปสำหรับฆราวาสนะแต่ถึงขั้นพรานาคานยียากมากเลยสำหรับฆราวาสเพราะฆราวาสเนี่ยจมอยู่ในกามกามไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวนะกามเป็นหมายถึง เพลิ่นพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกนี้หรือบางทีก็เป็นกรรมธรรมคือคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสัมผัสฆราวาสเลยไม่เห็นโทษของกลามแต่พระหรือนักบวชเนี่ยจะเห็นโทษของกลามง่ายกว่าเยอะเลยเนะมื่อก่อนหลวงพ่อด้จับเต่าองหนึ่งนะท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นเศรษฐนะีตั้งสามสิบปีก่อนนะ ท่านบอกท่านเป็นลูกชายคนเดียวนะพ่อแม่ท่านมีเงินตั้งร้อยล้านเลยรวยนะของเรายุคนี้บางทียังไม่ถึงร้อยล้านเลยขนาดเงินเปอไปตั้งเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วท่านรวยลูกคนเดียวด้วยแต่ท่านศรัทธาท่านออกมาบวชท่านบอกว่ามีวันหนึ่งไปบินธบาตนะไปเห็นคนเขากินข้าวเหนียวถั่วดํารู้จักไหมข้าวเหนียวถั่วดําเห็นแล้วอยากกินอยากกินนะก็ไม่มีใครใส่บาตรให้กิน ก็ฝันไว้นะรอคอยว่าวันหนึ่งจะมีคนเอาเขนาเหนียวตัวดำมาใส่บาตรวันหนึ่งก็เห็นจริงๆเวลาพระกรรมฐานวินทบาทจะเดินตามกันไปเขาก็ใส่ใส่ใส่ใส่นะพอะจะมาถึงท่านนั้นหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นองคแรกที่อดนะแต่พระกรรมฐานเนี่ยเวลาไปวินทบาทมานะจะเอาอาหารมาเทรวมกันนะ แล้วก็แบ่งกันปรากฏว่าพระที่อยู่หัวแถวเนี่ยเก็บเข้าวเหนียวตัวดําไปหมดทุกวันเลยมันไม่ถึงท่านสักวันเดียวนะหลายวันเข้านั้นท่านบอกไปอยู่กลางคืนนอนอยู่กลางคืนแนละ้วคิดถึงเข้าวเหนียวตัวดําล้วร้องไหนะ้คิดสงสารตัวเองนะอานาถตัวเองตอนนั้นห่อหนึ่งไม่กี่บาทหรอกนะว่าโอ้โหเราลูกมีพ่อมีแม่นะทําไมเราแค่ข้าวเหนียวตัวดําเนี่ยแค่นี้เองไม่กี่สตังเนี่ย ไม่ได้กินสงสารตัวเองนะอนาถตัวเองร้องไห้นี่เห็นโทษไหมจิตใจมีความอยากอยากในรสของขนมเนี้ยมันไม่ได้สนองความอยากแต่ค า, ารว่าเหลืออยากกินข้าวเหนียวตัวดำสักหนึ่งถุงก็ไปซื้อมาปี๊บหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> กินจนกว่าไท่ามนุษย์ยาวไรอยากอะไรก็สนองตลอดเวลาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกนะเวลาท่านเลยเรียกอารมณ์ รูปเสียงกยลิ่นรสอะไรพวกนี้ถ้าเรารูว่ากรรมคุณนะวิ่งไปหาไปเสพไปสนองไม่เคยเห็นทุกข์เห็นโทษเลยในขณะที่นักบวชนะเห็นทุกข์เห็นโทษทุกครั้งที่กามเกิดขึ้นนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นโทษเห็นภัยของกรรมได้ง่ายกว่าคารวาสนะแต่ว่าพวกเรายังไม่ถึงขั้นเกิดขึ้นผ้าหนักคาขันะ้นโสดาสกตาคาเนะี่ยเป็นคารวาสทําได้นะไม่ยากนักะแต่ขั้นผ้าหนาค่านี่ยากแล้ว เพราะจิตของเราชุ่มอยู่ในกามจิตของเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามนะไม่เหมือนนักบวชนะ้วบวดถ้ากามเกิดนี่แทบว่าหัวชนป่าเลยนะทรมานจะเห็นว่าโอ้โหร้ายจริงๆกิเลสนี้เป็นของเลวร้ายจริงๆรนะินี่ของเราก็ฝึกไปหนะ้าแค่ถือศีลห้านะถือศีลห้าไว้ไม่ต้องอดเข้าเย็นนะแต่กินให้เป็นเวลานะ แล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยแล้วก็คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายคอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยไม่นานถ้าทําสม่ําเสมอนะใช้เวลาไม่มากแล้วก็คงได้ธรรมะบ้างแหละเวลาได้ธรรมะอย่านึกเอาเองว่าตอนนี้ได้แล้ว <c oughs> มันมีวิธีของจิตที่จะเกิดมาเกิดฝนมีวิธีของจิตโดยเฉพาะ มีลักษณะเฉพาะของจิตเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลไม่ใช่ภาวนาเละวันนี้พอละแค่นี้แหละบรรลุแล้วนึกเอาเองหรือภาวนาไปจิตรวมหูสว่างว่างเอาละบรรลุละ ม, มั่วนะมันไม่เข้าวิถีของมรรคของผลนะวิถีจิตที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลมันมีจิตมันตัด สังโยชน์ตัดกิเลสเนี่ยมีกระบวนการของมันมีลีลาแห่งการตัดแต่บามีซาวเอฟเฟกด้วยมีฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเทวดาอนุโมทนาโลกธาตุสะเทือนอะไรเงี้ยนันเป็นอาการของจิตที่จิตไปรู้เข้าพอไหมวันนี้พอแล้วนะเทศเยอะไปก็จำไม่ได้อยู่แนละ้ว อ้าวใครตอบได้บ้างว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำะไรยังไงแล้วสติเกิดบ่อยการเห็นสภาวะบ่อยๆนั่นแหละทำให้สติเกิดขึ้นทีนะ่เราเห็นความโกรธบ่อยๆต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นสติก็เกิดมันจำไดนะ้อะไรทำให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตที่ไหลไปมันไม่ได้แค่ไหลไปคิดนาไหลไปดูนะ ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิน่นไหลไปลิ้มรสถ้าจิตไหลเรารู้ทันนะอย่างดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันนะจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นได้ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตสงบเฉยเฉยไม่ตั้งมั่นนะค่อยฝึกนะอะไรทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจแต่ความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง อย่าลืมต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิคือไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีปัญญาจริงหลักต้องแม่นนะเมื่อหลักแม่นแล้วเลยข้อเดียวทําให้สมควรจะทําไม่ใช่เจ็ดวันปฏิบัติหนึ่งครั้งครั้งละห้านาทีแล้วก็นับมาแล้วเจ็ดปีแล้วทําไมไม่บรรลุสัที อันนั้นเว่อไปหน่อยลนะวปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติตลอดเวลาถ้าเมื่อไหรเรายังแยกชีวิตเราเป็นสองส่วนว่าชีวิตนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมอันแค่นี้ชีวิตที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติอันแค่นี้นะยังไกลแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้นะคือการปฏิบัติชีวิตกับการปฏิบัติเป็นอันเดียวกันแต่ว่ายกเว้นเวลาจําเป็นทํางานที่ต้องคิดอันนี้ยกเว้นเวลานอนหลับนี้ยกเว้นให้ เวลาที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาของการเจริญสติเจริญปัญญาทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเจริญไม่ไหวจิตฟุ้งซ่านก็ทําความสงบจิตมีเรียวมีแรงแล้วมัาเจริญปัญญาต่ออย่าสงบอย่างเดียวนะหรืออย่ารู้ตัวอยู่เฉยเฉยรู้ตัวเฉยอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกนะก็ได้แค่นั้นเองไม่เกิดปัญญาพอไหวไหมเดี๋ยวคุณหมออักเทปไวใช่ไหมนะเดี๋ยวค่อยไปขอจากคุณหมอนะฟังเที่ยวเดียว ไม่ได้ผลเนอกต้องฟังหลายๆทีกระทั่งเด็กๆนะมันฟังซีดีหลวงพ่อนะมีเยอะเลยประเภทเอาซีดีใส่รถไว้พอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยฟังแล้วสบายใจอย่างน้อยก็ได้สมาธิได้ความสุขฟังแล้วสบายใจหวังว่าฟังแล้ววันหนึ่งจะปิ๊งนะลูกมันนั่งรถไปด้วยวันหนึ่งคุณแม่ขับรถคนมาปาดนะคุณแม่โมโห คุณลูกก็บอกแม่แม่โกรธให้รู้ว่าโกรธเ <laughs> <laughs> นี่ยเด็กมันเรียนธรรมะโดยที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะเหมือนเด็กเรียนภาษากับพวกเราเรียนภาษาไม่เหมือนกันนึกออกไหม <laughs> เด็กมันเรียนภาษาเป็นธรรมชาตินะมันเข้าถึงได้ลึกซึ้งเลยส่วนเรามานั่งท่องนะ <laughs> เทนมีกี่เทนต์เลยท่องกันแทบตาย <laughs> เด็กมันฟังมันพูดมนันอะไรเงยถึงเวลามันพูดได้เลย <laughs> เราคิดหนักคิดหน้าคิดหลัง <laughs> กรรมาฐานก็เหมือนกันเด็กมันฟังซีดีหลวงพ่อนะมันภาวนาเป็นเยอะแยะเลยผู้ใหญ่ก็ฟังแล้วก็คิดเอาหลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจสติทำไงรู้ยังตอนนี้รู้ยังเนี้ยจะไปถามใครดีว่าตอนนี้รู้ถูกหรือยัง <c oughs> <c oughs> คิดมากคิดมากยากหนานใครเคยสงสัยว่าตอนนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือยังใครสงสัยเคยสงสัยบ้างยกมือสิ โอ้เก่งที่ยกมือพวกที่ไม่ยกมือก็เก่งเหมือนกัน <c oughs> มีใครเคยศเคยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าเอ๊ะจะปฏิบัติยังไงดีวันนี้มีไหม <c oughs> คิดว่าจะทํำยังไงดีทําอะไรก็ผิดหมดอลยแต่ไม่ทําผิดมากกว่าแล้วท <c oughs> ําทอะไรมันก็ทํามันไม่ใช่รู้แค <c oughs> ่เห็นกายมันทําเห็นใจมันทําถึงจะเรียกว่ารู้นะ อ่ะท่านี้ก่อนกันแล้วกันหลวงพ่อคิดว่านในนี้จะมีนันกาอ้อมอยู่นี่หรือเทศไตตาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เอาส่งกันบ้านตามสมควรนะอย่าเ ย, ยอะนักหลวงพ่อก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเทศมาวันนี้วันที่หกต่อกันลนะบางวันหลายรอบด้วยอ้าเบอร์หนึ่งหรือไง อ้าวเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สามสิบหนึ่งเบอร์สามหนึ่งสามสิบหนึ่งเบอร์สามสามสิบสี่ยี่สิบห้าเบอร์สิบเบอร์สิบเก้าแล้วก็เบอร์ห้าเบอร์สิบแดเบอร์สามเบอร์สามเอาลงได้แล้วยอจดไปแล้วไม่ใช่เหรอเบอร์สามเบอร์เจ็ด เบอร์สิบห้าเบอร์สิบแปดเบอร์แถมหน่อยก็ได้ออาหมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเอาเหลือทั้งนี้เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบแล้วเบอร์สิบเอดอีกเบอร์โอยทีนี่ทาไมช่างถาม ไปที่อื่นไม่เคื่อมีคนถามเลยถามสามคนสี่คนคิดมากสงสัยมากนะสามสิบสองเนียสามสิบสองยี่สิบหนึ่งจดเล็ ก, ลกๆไปข้างล่างก่อนก็ได้สามสิบสองยี่สิบหนึ่งอะละหมดละเอาเบอร์หนึ่งเชิญเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ที่ไหนเอ่ย เมื่อคืนมีบทเรียนมาตอนตีสองตีสามเป็นลักษณะที่บอกว่าให้ดูคล้ายๆกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาวะธรรมต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นกายจิตหรือว่าเสโนไกหรืออะไรหลายๆหลายหลอย่างก็คือดูของตัวเองเสร็จแล้วก็ให้ไปดูของหลวงพ่อบ้างของผวู่บ้าง เพื่อเทียบว่าเนี่ยยังไกลขนาดไหนเราหยิบเราขดตัวขนาดไหนแต่ที่สังเกตเห็นคือที่หนูทํามันจะเป็นลักษณะมันมีกรรมกรรมไว้กับปล่อยใช่ไหมคะแต่ของหนูปล่อยเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงพ่อกับหลวงปู่ปล่อยหลวงพ่อหลวงปู่จะมีสภาวะทําทอะไรไม่รู้อีกอย่างหนึ่งออกไปอยู่ตลอดเวลาที่นี่เจอพวกประดูจิตหลวงพ่ออีกคนแล้ว คือต้องอาศัยผูู้บาอาจารย์นํามือกันหนกูกลัวผิดทางคือหนูต้องระวังนะเคยมีพระที่สุริโงอยู่สมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะแต่ไม่เข้าไปเรียนใช้วิธีแอบไปดูจิตหลวงปู่ดูลดูจิตหลวงปู่มั่นดูจิตโดนัสนี้นะแล้วพยายามเรียนแบบมันเป็นของปลอมนะไอ้นั่นเป็นผลแล้วล่ะเราไปเห็นผลเราต้องดูเหตุ เหตุคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนไปแถมป้าก็มีคนได้มาถามกลางห้องประชุมอย่างนี้เลยบอกเนี่ยขอชำระหลวงพ่อหน่อยมฟั่งเราน่ากลัวมากเลยเว่ามาดูจิตหลวงพ่อนะทําไมมันว่างมันสว่างมันคงที่เวลาคุยก็ไม่ไหลไปไหลมานะทายังไงจะเป็นอย่างนี้บอกทาไม่ได้หรอก ทำไม่ได้หรอกถ้าจะทําำต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าให้อย่าทิ้งหลักนี้นะไม่ไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเมื่อสองปีก่อนที่หนูไปหาหลวงพ่อที่วัดหนูขอกันบ้านหลวงพ่อนี่มาจากชีคาโก้หรือใช่ค่ะคนนั้นแหละค่ะได้แล้วอตอนนี้เลยคือคราวที่แล้วที่หลวงพ่อสอนนะคะที่หลวงพ่อกรุณาทำไม่ได้เรียกว่าทํเดี๋าหนูพูดผิดจะโดนหลวงพ่อว่าอีกเดี๋ยวก่อน เอาผิดก็ไม่ว่า ไ, ไอนน่ะยกเว้นให้ที่ขออนุ ญ, ญาตให้หลวงพ่อแสดงสภาวะธรรมเพราะว่าเรียนรู้โดยสภาวธรรมโดยตรงแล้วหลวงพ่อทําสภาวธรรมที่บริสุทธิ์ให้ดูอยู่แวบหนึ่งก็พัฒนากันมาทั้งกลุ่มค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ระบบหนูคนเดียวก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือแบบคราวที่แล้วแว บ, บเดียวอค่ะคราวนี้ขอสักครึ่งนาทีก็ยังดีค่ะก่อรับเข้าสู่ใจตรงๆเลยจะได้ไปเรียนต่อไม่เห็นเองอะ่ะมันมีความแตกต่างพัฒนาได้เยอะอ่ะค่ะ คือ ม, มันเป็นสไตล์นั้นสภาวะหลกขพ่อเป็นไงอ่ะเราไม่เห็นเองอ่ะมันไม่ใช่มีครึ่งนาทีนะทราบค่ะไปดูเอาเองก็แล้วกันจะลงให้ดูเองเลยนะหลวงว<ช>่าแบบเจตนาส่งให้นิดนึงนะค่ะพอแล้วค่ะ <c oughs> ส่งนะไม่ใช่ของจริงนะโอเคค่ะมันคล้ายๆเท่านั้นแหละเพราะว่ามันเป็นการแต่งเอาของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นของจริงไม่มีอะไรว่าถามยาก ถามไม่ยากนะแต่ตอบยากขอกราบอขออนุญาตคอนเด็กับหลวงพ่อหลวงปู่แล้วขอเรียนไปตลอดทางไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะคือขออนุญาตได้เลยแล้วกันค่ะแต่อันนี้เพราะว่ารู้ว่าหลวงพ่อตอบตรงๆไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนอาจจะตอบนะอย่างนี้ตอบไม่ได้คนมันหาเรื่องเยอะอ้าต่อไปเบอร์สามสิบหนึ่งแต่หนูชี้คักอู้ดีขึ้นเยอะเลยนะ กราบนมัสการออกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมมีคําถาม เ, เกี่ยวกับสตินิดหน่อยนะครับในชีวิตประจําวันขณะที่เราเฝ้าดูรู้อารมณ์ในประสบการณ์ของโยมนะครับบางครั้งคือไม่ใช่บางครั้งคือขณะที่เรายกตัวอย่างว่ามีโทสะเนี่ยฮะ สติมาทันทีนะ mm hmm. แล้วตามหลักความเป็นจริงแล้ว mm hmm. เมื่อเหตุดับโกรธจะหายไป mm hmm. นะทวดศักด์แต่ในประสบการณ์เนี่ยเราเพบว่าบางครั้งเนี่ยสติมาก็จริงแต่ยังอยากจะโกรธอีกสักนิด mm hmm. หรือว่ามีอารมณ์อื่นๆก็เป็นแบบนี้แต่ไม่ทุกครั้งนะฮะ mm hmm. อยากจะทราบคําถามก็คือว่าสติตัวที่มาเนี่ยเป็นสัมมาสติ หรือว่าไม่ใช่สมาสติหรือว่าปฏิบัติผิดอะไรสักอย่างคือสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดหรือมันจะดับเนี่ยเพราะเหตุของมันไม่ใช่เพราะเราไปแปรแปลีบังคับได้เนาะสติมีหน้าที่จับนะปัญญามีหน้าที่ตัดถ้สติระลรึกปั๊บเนี่ยถ้าปัญญาแท้ๆเกิดให้ขาดสะบั้นเลยนะนี่ปัญญามาจากสมาธิความตั้งมั่นของจิต ในขณะที่สติะระลึกเห็นความโกรธเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตไม่ตั้งมั่นพอมันเลยไม่ตัดแล้วสติตัวนั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าสติที่สมบูรณ์เกิดนะมันจะประกอบกับสมาธิเลยจะขาดสะบ้านทันทีเลยจิตปกติของโยมเหมือนตอนนี้ไหมจิตตอนปกติเหมือนกับตอนที่คุยกับตมนี้ไหมเหมือนครับ เหมือนเหรอเหมือนตอนนี้ตลอดเลยเหร อ, อ, อคลายครับคลายตอนนี้แน่นไหมตอนนี้อันนี้ปกติเลยเหรอ อ, อคิดว่าเป็นปกติ <c oughs> ต้องค่อยค่อยคลายออกนะ <c oughs> ถ้าอางนั้นแสดงว่า ต, ติดเพ่งติดเพ่งเอาไว้ติดเพ่งติดจอ <c oughs> ้องต้ปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาได้ แล้วก็แค่มีสติสักวาระลึกเท่านั้นเองถ้าเราประครับประคองไว้ได้ทั้งวันนะเดี๋ยวเทียบให้ดูเนี่ยมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดหนึ่งแต่ตัวนี้ต้องคลายออกนะนั่นถึงจะเดินต่อแต่ถ้าเราไปรวบไปตลอดวันคล้ายๆนักมว ย, ยตั้งกาดไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยะมันแข็งไปมันจะแน่น ต้องคลายออกนะจิตจะเบิกบานจิตจะมีความสุขขึ้นนะเบอร์สามอยู่ไหนเอ่ยเ๊้คนนี้เพิ่งถามหยกๆยกเอาย่อๆนะหนูนี่ถามยาวค่ะยกสามข้อนะคะ<อ>ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของโยมเ อ, องนะคะแนวทางคือ จากที่จดหมายที่โยมเขียนส่งหลวงพ่อเนี่ยนะคะ เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโยมจะอ่านจากซีดีจะฟังจากซีดีแล้วก็จะมานั่งคบคิดหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นโยมจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสได้ถามมานะฮะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นคือนิมิตหรือว่ามันคือของจริงคือไม่ว่าของจริงหรือของเกย น, นะไม่มีนัยยะ ไม่ว่าอะไรปรากฏเนี่ยให้รู้ทันจิตไว้แค่นั้นพอละยกตัวอย่างอย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะถ้าเห็นเทวดามาเยอะเลยมานั่งไหว้นะเราไม่ต้องสนใจเลยว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเราให้รู้ทันที่จิตของเราเลยถ้าเห็นเทวดามาแล้วจิตเกิดสงสัยว่านี้คืออะไรของจริงหรือปลอมรู้ว่ากํลาลังสงสัยอยูนะ่ถ้าเกิดอิ่มอมหิมใจกูเก่งเทวดามาหาอนะไรเนียรู้ทันว่ากําลังอิ่มอมหิมใจอยู่ งั้นจะเป็นนิมิตจริงหรือนิมิตปลอมไม่มีนัยยะอะไรให้รู้ทันจิตไหมงั้นอย่างเห็นเป็นแสงสีเขียวปีกแมงทับแสงเปลี่ยนเป็นสีแดงสีอะไรมันคืออะไรนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะมันไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นเลยให้รู้ทันจิตไหมคำของโยมเนี่ยฮะถ้าโยมอย่างเมื่อเช้า เมื่อคืนนี้พอหลวงพ่อบอกว่าให้โยมดูที่ความฟุ้งซ่านของโยมเมื่อเช้าอย่างโยมอาบน้ําโยมมองการล้างมือกันอะไรเนี่ยมองที่กายแล้วโยมจะมีความรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่น่าใช่เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งไปเพ่งอยู่โยมก็เลยถอยอยอกมานะให้รู้ทันในตัวเพ่งนะนะั่นแหละคือตัวปัญหาของโยมนยั่นแหละค่ะโยมจะรู้สึกว่า มองกายอาจจะไม่น่าใช่ทีนี้พอเมื่อกี้นี้ที่หลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรายกมือเราก็ดูแล้วก็ถ้ามืไหร่ที่จิตเราไปคิดเราก็ดูมันจะไม่เกิดพร้อมกันใช่ไหมฮะแต่ใช้สลับกันได้ไม่ไม่ยกมือเนี่ยมื อ, อยังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะจิตหนีไปคิดได้แต่เวลาที่จิตจะไปรู้มือเนี่ยก็ขณะหนึ่งจิตจะไปรู้ความคิดก็อีกขณะหนึ่งนั้นรูปเนี่ยอายุยืนกว่านามัธรรม แล้วในขณะที่รูปยังเคลื่อนไหวยังไม่เลิกเคลื่อนไหวจิตเปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งหลายอย่างก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เลือกสินะถ้ารู้ทันจิตได้ให้รู้ทันจิตถ้ารู้ทันจิตไม่ได้ให้รู้กายถ้ารู้จิตไม่ได้รู้กายไม่ได้ทําสมถะนี่นี่หมายถึงช่วงที่ว่าระหว่างวันที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้เบรกตัวเองออกมาจากความคิดนั่นะ อ, อนั่นแหละให้คอยรู้ทันเวลาใจไปหลงในโลกของความคิดนะ แล้วก็ถ้าไปเพ่งอยู่รักษาจิตให้นิ่งอยู่ก็รู้ทันอีกแก้สองตัวนี้ให้ได้แล้วมันจะไปได้แล้วก็ข้อสามในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยฮะถ้าโยมเนี่ยโยมก็คงต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆทีนี้อนอกจากความคิดฟุ้งซ่านแล้วเนี่ย จุดอ่อนของตัวโยมเองนี่มีอะไรอีกฮะที่โยมต้องคอยระวังความอยากนะความอยากนไปรู้ตัวทีนะตัวเนี้ปลักดันแรงมากเลยฮะไม่ว่าจะอยากอะไรเนี่ยตัวนั้นคือตัวมันจริงจังไปหมดเลยนะไม่จะทาให้อืดตัดไม่จทําให้แน่นพอโยมพอจะถามอีกสักสองข้อได้ไหมฮะที่ที่มันที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วนะฮะแต่โยมว่ามาลองดู เดี you, you, man, seconds, right? mm ๋ยวคนอ่ก hmm. ็อาจจะท้วงคืออย่างเงี้มันเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆเถอะเหลืออีกตั้งสิบคนโอเคอสามสิบสี่อยู่ไหนเอ่ยสามสิบสี่โน่นเอาย่อๆนะ ถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถูกเราเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดค่ะแต่สู้ไม่ไหวค่ะอ้าวสู้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะแค่อย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละก็รูออ้ ก, กายไป ออนะ่าร้ค่อยๆรู้สึกอยู่ในกายนะอย่าให้จิตไปติดในว่างให้กลับมาที่กายดีกว่าไปอยู่กับว่าง <c oughs> อานั่นจงใจดูมากไป <c oughs> ถ้าไปจงใจจ้องมันแน่นขึ้นมาถ้าดูสบายๆนะไ <c oughs> อ้นั่นรุนแรงไปนะนะ <c oughs> ดูเล่นๆ <c oughs> ดูเฉยๆนะอย่าไปอินกับมันเก่งแล้วเห็นไหวๆขึ้นกลาง อ, อกอ่ะที่เหละเหมาะแล้วดูจิตแล้วเหมาะแล้วหมอแล้วค่ ะ, ะ ล, ล, ะลงเห็นไหว ๆ, ๆกลาง อ, อกได้ไม่ธรรมดานะเวลาภาวนาถึงขั้นละเอียดจริงๆเหลือแต่ความไหวยิบยับอยู่กลาง อ, อกก็เรื่องนี้คือโยมมีอาชีพที่แบบว่า เจริญเจริญเมตตาเยอะๆนะแล้วแผ่เมตตาแผ่พลังที่ร่มเย็นใส่ตรงที่ปวดไปฮะ อ, อะไรนะจิตหยิบฉวยจิตจิตปล่อยวางจิตอะไรคะอ๋อต้องเห็นเราเองนะทุกวันนี้เราหยิบฉวยจิไตไว้เท่านั้นแหละ<ช>แต่เรายังไม่เคยปล่อยตื่นขึ้นมาก็หยิบจิตขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเห็นไหมตอนนั้นอนะ่ะตอนตื่น เวลาคิดถึงการปฏิบัตินะั้นก็ไปตะครุบจิตขึ้นมาดูนะตอนั้นไปหยิบฉวยขึ้นมาละท้ายนี้ขอปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าท้าพุทธเจ้าเอออ่าพระธรรมและวาสังแล้วก็ปฏบิบัติบูชาหลวงพ่อด้วยนะคะสาธุชอบมากเลยต้องอย่าลืมพระพุทธเจ้านะมายกย่องอาจารย์เกิดพระพุทธเจ้าไม่ได้เร้าต่อไปเบอร์ยี่สิบห้าอยู่ไหนเอ่ย ปรั บ, บนมัส ก, การหลวงพ่อครับคือผมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวบ้างแต่ว่าเจริญปัญญาไม่ไม่เป็นครับคือกากับใจเคยแยกกันไหมเคยเห็น อ, อ, อทิตผ่านมานี่เห็นความทุกข์แล้วก็เห็นว่ามันความทุกข์กับเราเป็นคนละส่น น, นั่นแหละมันแยกแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็แยกได้ละแล้ ว, ลวเวลาเวลานี้อย่าเพิ่งถ่ายรูปเลยนะมันกวนสมาธิสมาธิ ญาติโยมเน่ยแล้วเวลารู้สึกตัวนี่คือปกติเคยฟังซีดีหลวงพ่อเราหลวงพ่อบอกว่าให้ให้มีเครื่องอยู่แต่ผมเครื่องอยู่นี่แบบว่ามันไปทั่วครับตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเด่นอย่างสมมุติว่าเดินอยู่เงี้ยครับมีลมมากระทบกับผิวเรารู้สึกว่ามีลมมากระทบตอนนั้นเด่นก็คือว่าพอคิดปุ๊บแล้วมันจะมันก็จะกลับมาอยู่ที่ผิวแต่บางทีรรู้สึกหายใจเด่นมันจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจมันจ ะ, ม, นจะมันจะไปไม่เป็นไรนะ เอาแค่ว่าจิตมันมีที่อยู่แล้วก็ถ้ามันเคลื่อนไปจากตัว น, นั้นรู้ทันก็ใช้ได้แล้วล่ะที่มันต้องมีที่อยู่เพราะว่าไม่งนจะหนีนานครับหลงยาวเป็นวันครับขอบคุณครับที่ฝึก อ, อยู่ดีนะที่ อ, อีกจิตไม่เข้าฐานตอนนี้ไม่ถึงฐานแต่ว่าบางครั้งคิดว่ามันน่าจะถึงแต่ว่าใช่ถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะแยกรูปนามต่างๆไม่ออกของคุณมันแยกได้แล้ว ครั บ, บ ค, ครับครับเบอร์สิบอยู่ไหนเอ่ยมีไหมนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยสิบอยู่ข้างหน้าเลยใครจิตออกนอกบ้างทั้งห้องแหละกราบน้ำาาสรสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะด <c oughs> ิฉันได้ฟังเทปของพระ อ, อาจารย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่พระ ระยะหลังๆนี่ก็เริ่มปฏิบัติค่ะตอนเช้าจะพยายามนั่งสมาธิ <c oughs> ก็มีสติบ้างในตอนเช้าแต่ก็ไม่ไม่คงทนเท่าไหร่โยมอยากจะถามว่าเมื่อเพื่อโยมนั่งปฏิบัติเสร็จแล้วโยมก็จะจะอัลนาธนาไม่ว่าสรสามีเขาสอน แผ่ส่วนบุญก็ดีน ะ, ะจะถามว่าการแผ่ส่วนบุญนี้คือโยมจะแผ่ไปทั่วคือตั้งแต่เจ้ากรรมนายเวรคือทำคำไหนที่จะให้มีมีคุณภาพที่สุดคือว่าโยมนี้เพิ่งจะมีโรคประจำตัวขึ้นมาค่ะก็จะแผ่ไปบอกว่าขอให้ออกจากร่างกายนี้ไป แล้วทุกครั้งที่ทำบุญก็จะแผ่ให้อย่างนี้จะได้ผลไหมคะทำไปด้วยนะอย่างน้อยก็สบายใจมีโรค ก, ก็รักษาไปขอให้ออกนะคือพระหลวงพ่อแนะนำให้ได้ไหมคะคือเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะมันเป็นวิบากระ้เป็นผลของกรรมกรรมภาพันธุคคกรรมภาพันธุน ะ, ะแต่ว่าการที่เราเจริญ เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรเงี้ยใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราได้สมาธินะค่ะโรคภัยบางอย่างเนะี่ยพอจิตมีสมาธิมันก็หายได้ค่คหรืออย่างการที่เราคอยแผ่ส่วนบุญไปใจเราสบายไม่มีเวรมีกรรมกับใครใจคิตใจสงบเบิกบานก็เป็นบุญบุญอาจจะช่วยเราก็ได้นะทําแล้วจิตใจดีขึ้ น, นค่ะคือเราได้ แ, แผ่เมตตาให้เขา<ด>แล้วดีแผ่ทั้งวันเลยจะได้นะค่ะสาธุแผ่ไปเรื่อย ขอบคุณเจ้าะเปอร์สิบเก้าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะที่นี่ถามเยอะที่อื่นสามสองสามคนสี่คนค่นะนรสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วส่งกันบ้านเดือนตุลาปีที่แล้วที่เมืองไทยค่ะหลังจากกลับมาก็หลวงพ่อก็อนะแนะนำว่าให้กันบ้านไว้ก็คือ ให้ดูจิตที่ไหลไปเพราะว่าโยมีโมหะแล้วก็หลาาักคะแล้วก็คือหลักกายของตัวเองมากหลังจากกลับมาจากเมืองไทยเนี่ยชีวิตยากลําบากมากขึ้นหมายถึงว่าในความยากลําบากตรงนั้นเนี่ยโยมกลับรู้สึกว่าเราสามารถคือจิตสามารถที่จะอดทนแล้วก็ต่อความทุกข์ได้มากขึ้ น, นะะ่ะค่ะแล้วก็เอ ทิ้คำถามไว้คราที่แล้วก็คือว่ายัางไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้เพราะว่าจิตไม่เอาหลวงพ่อก็กล่าว่าให้ดูใจที่ไหลไปแต่ใจเนี่ยยังบอกเองว่าอยากที่จะทําสมถะ น, นะคะหลวงพอ่อการที่เรารู้ทันใจที่ไหลเนี่นะนี่ได้สมาธิอัตโนมัติแล้วค่ะตอนนี้จิตเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อก่อนนี่ต่างกันไหมหรือเหมือนกันณนะตอนนี้หรอคะหลวงพอ่อเดี๋ยวนี้ยช่วงเนี้ยกับก่อนนี้ เห็นความแตกต่างไหม ถ, ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้ดีคือตั้งมั่นมากกว่าเดิมนั่นแหละสมาธิมันเพิ่มแล้วนะเ<า>งั้นจะทำสมาธิในรูปแบบอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้ว<า>จะพุโทโธจะอะไรนะก็ทำไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆยอย่างนี้แหละนะ<า>พุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจไปแล้วจิตไหลไปก็ค่อยรู้เอาก็รู้ได้แล้วล่ะเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้ว ใจบอกมาเลือกมาสองตัวก็คืออดูลมหายใจกับอสุภกรรมาฐานขังพ่อไม่ทราบ ว, ว่าทำไมเลือกสองตัวนี้ขึ้นมาอ้าวใจจะเอาก็าให้มันไปให้ได้ได้ได้แต่ถ้าทําอสุภะแล้วมันเกิดเกลียดร่างกายขึ้นมาให้รู้ทันความรู้สึกเกลียด <ฮะ S 1> นะความรู้สึกเกลียดก็จะดับไปเราก็จะรู้กายด้วยใจเป็นกลางต่อไป <ฮะ S 1> อสุภะถ้าทําแล้วความเกลียดชังร่างกายครอบงําจิตนะบางคนไปฆ่าตัวตายเลย สมัยพุทธกาลมีพระฆ่าตัวตายเป็นร้อยๆเลยค่ะทีนี้เ อ, อ่ข้อสุดท้ายก็คือโยมสังมีส า, ม, ส า, ม, สามีเป็นคนต่างชาติค่ะเป็นชาวอเมริกันแล้วก็คือไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ในจุดหนึ่งเนี่ยส่วนดียองเขาคือเขาให้โยมสามารถที่จะยกม ไ, ไม่ไหนหลวงพ่อปฏิบัติคือเขายังยังใจดีที่ให้โยมสามารถปฏิบัติแล้วก็นับถือศาสนาพุทธได้แต่ว่าใจที่โยมเป็นห่วงเขาก็คือเขามีความเครียดมากค่ะแล้ว เราเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาดูสิน ะ, ะแล้วเราก็สอนให้เขาเจริญสติเราไม่ต้องพูดคําว่าศาสนาพุทธก็ได้ก็คือใช้ใช้ตัวเองใช่ไหมคะคุณพ<ช> แ, แล้วก็ทำตัวเองให้เขาดูน ะ, ะแล้วก็สอนวิธีเจริญสติให้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องบอกว่านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกถ้า แ, แม้ว่าเขายืนการแล้วว่าเขาจะไม่เปลี่ยนศาสนาแน่นอนแต่ว่าคือคือตัวอย่างที่โยงทําให้เขาดูเนี่ย เขาสามารถคืออย่คิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนา<ะ>เป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นค<ะ>ําสอนอันหนึ่งเป็นวิธีปฏิบัติพัฒนาใจ<ะ>ให้เขาเรียนศาสตร์อันนี้ไปแล้วเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเองเลยได้ค่ะวันนี้ขออนุญานอีหนึ่งพอดีโยงเพื่อนพาเพื่อนชาวต่างชาติมาค่ะเขาสนใจแล้วก็ศึกษายเยอะมากแต่สิ่งที่โยงต้องการถามก็คือโยงควรจะ สนทนาทมกับเขาดีหรือไม่เพราะตัวโยมเองโยมรู้ว่ายังไม่ถึงขั้นนะะเราฝึกของเราเยอะๆก่อนแล้วกันเ ข, เขาก็จะเข้าใจไปได้เองใช่ไหมคะคเราแม่นแล้วนะแล้วก็ไปบอกเขาค่ะเบอร์ห้าับอยู่ไหนเยอยกับการนักวิาการหลวงพ่อครับคือตื่นเต้นครับแล้วก็กดอยู่ก็คือจะขอส่งกันบ้านรอบสี่ปีครับพอ เพราะว่าสี่ปีที่แล้วไปหาหลวงพ่อที่สนสัตติธรรมแล้วก็หลวงพ่อให้ให้ดูจิตแล้วก็อืคือก่อนที่จะเจอหลวงพ่อคือมีความทุกข์มากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ที่วิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสจนมาฟังสิ่งทหลวงพ่อแล้วก็รู้วิธีการดูจิตแล้วก็สามารถที่จะลดละกิเลสได้ครับแล้วก็ช่วงแรกๆสี่ปีที่แล้วก็มีความสุขมากเพราะว่ามันเกิดฟังแลวเข้าใจแล้วก็ทาให้เกิด พยายามที่จปฏิบัติแล้วก็ช่วงแรกๆที่เห็นจะเห็นเป็นพวกพวกปฏิกิริยาพวกความโกรธอย่างเงี้ยครับเลาพอดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเกิดจากจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วก็พอดูไปเรื่อยๆจะเกิดสภาวะอันหนึ่งคือจะเห็นความขัดใจเล็กๆครับ <c oughs> ไม่ว่าจะกระทบทางตาหรือทางใจ <c oughs> ก็เลยเกิดความทุกข์มากเพราะว่ามันเกิดทีจิบแล้วก็บอกเขาว่าไม่อยากรู้แล้วเขาก็จะรู้ก็ ปล่อยไปสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็คือจะเห็นเหมือนจะเห็นปฏิจจสมุปบาทช่วงปลายๆที่หลวงพ่อบอกว่าหลังผัสสะครับก็คือพอกําลังขับรถอยู่ก็คือพอเห็นตากระทบรูปปุ๊บมันจะเห็นจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตที่ไม่เป็นการต่อแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะตัดแล้วก็เกิดตาเห็นรูปความคิดจิตไม่เป็นการโทรสะแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นอย่างนี้ประมาณสัก ห้านาทีอะครับแล้วก็แล้วก็หายไปแล้วก็หลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งก็คือกลับบ้านก็เห็นความสุขอครับพอเห็นความสุขปุ๊บมันก็ตัดเห็นความสุขปุ๊บมันก็ตัดแต่พอเห็นอีกทีหนึ่งมันจะเห็นความสุขโดดออกไปจากตัวเราก็คือเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ความสุขอยู่อีกที่หนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นมีคล้ายๆกันก็คือก่อนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังคือตอนนั้นลง สะพานลอยที่เมืองไทยอะครับแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เห็นความคิดสักพักความคิดมันโดดต่อไปอยู่ข้างๆแล้วก็เห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับที่เห็นครั้งเนี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ก็ตอนนี้ปัญหาที่มีอยู่ก็คือเหมือนเป็นเป็นคนขี้โมโหอะครับหลวงพ่อก็คืออาทิตย์ที่แล้วก็เผลอไปพูดจามไม่ดีใส่คนอื่นก็เลยตั้งใจว่าอาจจะต้องกดมันไว้บ้างอะไรเงนี้ยครับ คือต้อตั้งใจรักษาสี่ทาไว้ตลอดเผ <นะ S 2> ื่อทางใจเนี่ยไม่กดโกรธก็ได้แต่รู้เอาฝึกได้ดีนะครับผมครับแล้วแฟนเขาเป็นคนแบบว่ า, าวิตกกังวลแบบว่าย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้ถ้าดูจิตไปจะได้ไหมครับหลวงพ่อต้องดูก่อนว่ามันเป็นเพอจิตใจหรือเป็นเพราะร่างกายนะครับผมบางคนป่วยทางร่างกายก็ต้องไปให้หมอรักษาครับผมถ้าเป็นทางจิตใจเนี่ยภาวนาก็หายครับผม แล้วก็เพ่อเอินผมอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เมืองไทยครับไม่ทราบว่าถ้าจะให้ท่านปฏิบัติเหมือนผมนี่จะต้องทํายังไงดีคเอาสีดีหลวงปูกก่ให้ฟังบ่อยบ่อยครับแล้ววันนี้พาคุณว่าอยากจะขอกันบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วขอกันบ้านผมไปปฏิบัติต่อไ<พ>อดขอดูหน้าหน่อยเนะเาะขอพามพ่อแม่มานะน่ารักมากครอบครัวนี้นัชเชนนั่งเนย แล้วก็จะขอกันบ้านไปปฏิบัติต่อด้วยครับก็ให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปได้นะครับผมเข้าพุทโธพุทโธในใจก็ได้้าใจมีวิคิดแล้วรู้ถ้าได้จุดตั้งต้นตรงที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาอันอื่นจะงง่ายล้วครับแต่ถ้าใจยังหนีร่องรอยไปอย่างเงี้ยภาวนาอะไรก็ไม่ได้หรอกครับครับครับก็ไม่ครับฝึกได้ดีนะคุณอะคือหัดภาวนากับหลวงพ่อช่วงแรกๆที่มีความสุขมหาศาลเล ทำไมมีความสุขมากในช่วงแรกๆเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันมีสมาธิขึ้นมันเป็นสุขเพราะมีสมาธินะถ้าจากนั้นจเจริญปัญญาไปจะเห็น took, นะแต่ทุกข์นะแต่พอเห็นทุกข์เพร า, าใจมันคลายออกจากทุกข์ใจเป็นกลางไว้แล้วใจใจมันคลายออกนะ้มันจะเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเมื่อสี่สิบแปดอยู่ไหนเอ่ยสี่สิบแปด ไม่มีเหรอหนีไปแล้วหึกหรือว่าเบอร์สิบแปดเอาเบอร์สิบแปดส่ยกลงมาอีกยกใหมาอีกแบบตอนร้องถ้าเราเกลียดเออ อยากเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับความโกรธนะคะเพราะว่าเวลาโกรธเนี Love ่ยสติมันมานะคะแต่เวลาโกรธแล้วอะไรเวลาโกรธเรารู้ค่ะว่ามีสติว่าเรารู้ความโกรธอันนั้นแต่ว่ามันไม่หายนะคะหลวงพ่อเราอย่าไปอยากให้หายสิเนาะคิดว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่มันแฝงมากกว่าความโกรธในนั้นด้วยหรือเปล่าคะเวลาเราโกรธไม่เวลาเวลาโกรธขึ้นมาสติระลึกได้ว่าโกรธแค่นี้พอแล้วล่ะ เราไม่มีหน้าที่รุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายแต่เรามีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของความรู้สึกโกรธว่าความรู้สึกโกรธนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้อย่างตอนเนี้ยถึงเขาไม่หายนะเขาก็สอนให้เห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้บังคับได้ไหมไม่ได้นั่นแหละธรรมะอยู่ตรงที่เห็นความจริงอะความจริงคือบังคับไม่ได้ยังไม่ใช่ไปภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากิเลสมันก็ไม่เที่ยง นะจิตที่มีกิเลสเนี่ยเราก็สั่งห้ามมันไม่ได้ถ้าสติเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันไม่หายนะคะหลวงพ่อน่ะสติมันยังไม่พอมั้งคือสติเกิดรู้ความโกรธนะล้วใจเนี่ยไม่พอใจในความโกรธนี้มันมีความโกรธอีกตัวหนึ่งซ้อนเข้ามาโกรธไอ้ความโกรธตัวนี้แหละเกลียดมันใจมันไม่เป็นกลางไม่ขาด ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบแต่ที่ไม่เป็นกลางเขาจะขาดเองค่ ะ, ะหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำนเพิ่มเติมไ้มคะใจเย็นเด่นเนาะโาวนาของคุณทำมาได้ดีแล้วละ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยใจค่อยโปร่งค่อยเบาขึ้นเรื่อยๆที่ทำอยู่ถูกแล้ว ค, ค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอยู่ที่ไหน นมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะมีมีคําถามว่ารู้สึกว่าตอนปฏิบัติหลังๆนี่เวลาจะเวลาจะนอนเวลาคิดคิ ด, ค, ดคิดอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันตัดนะคะมันตัดชึ้งแบบว่าแบาบตอกท้ายอุงทีขากระตุกเลยด้วยจังเหมือนมันอะไรกระตกุกอะไรตัดนะตัดอะไรยังคิ ด, ค, ดคิดอยู่แล้วมันก็เหมือนถ้าอะไรมาวนหนึ่งแล้วมันก็หายไป อ, อันนี้<อ>เรียกว่าเป็นการตาดัดหรือการดับหร<ส>ือ<ส>่าสติมันเกิดขึ้นนะ ความเพี้ยวดับทันทีเลยค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วปกติหมายความว่ามันมันไม่ใช่ว่าดับเฉยๆนี่มันดับแล้วามันถันตัดตัดไปเลยเรามันทิดทีมก็ลืมไปเลยรู้สึกว่าตัวกระตุกด้วยคันเหรอเหม่มีซาว n d เ f f e c t ด้วยแล้วส่วนมากจะเป็นเป็นช่วงช่วงตอนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันใกล้จะหลับแล้วมันใกล้จะหลับแล้วแล้วตอนหลังๆนี่เป็นเป็นแบบธรรมดาด้วยแต่ว่าตอนแรกๆมันเริ่มจากช่วงนั้นกัน ทำใจสบายๆดูไปสบายๆแล้วเราดูจิตนี่ดูถูกใช่ไหมคะหรือว่าจะไปดูอะไรดูถูก ด, ด, ดูสบายๆน ะ, ะดูไปให้มีความสุขเบอร์สิบห้าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างหน้านี่กราบ น, นมัศการหลวงพ่อครับกระผมไม่ได้ทำ พระเดศธรรมภาคปฏิบัติเหมือนกับที่หลวงพ่อนะฮะแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยมาเยอะมากนลครับก็เข้าใจดีตอนนี้ที่ผมเริ่มทำมาเนี่ยนะพอปฏิบัติมาแล้วประมาณสามปีครึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนเป็นคนที่โกรธโมโหอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่าดีขึ้นมากแทบทุกอย่างเลยครับ ก็เลยปฏิบัติมาตลอดน ะ, นะครคืนนี้ก็ปฏิบัติทุกคืนก่อนน อ, อสนสวดมนต์ก่อนด้วยนะ ค, ะ<ด>ครับอ่าก<ด>็ปฏิบัตินี้ประมาณสิบห้าถึงสามสิบแล้วแต่บางวันทําได้ดีทําไม่ดีก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในช่วงนั้นนะครับทีนนี้ก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ที่อยากจะเรียนถามที่สําคัญที่สุดนะจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็จะถามหลวงพ่อครับ คือว่ามีอยู่วันหนึ่งก็เดินจงกลมนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาใจไปแวะถึงเรื่องอันหนึ่งคือสมุดนะที่เป็นสีสีเขียวนะแล้วก็ใจก็ น, นึกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีอะไรรองรับสีเขียวเนี่ยสีเขียวก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลย โผล่ออกมาเลยนะเหมอนกับมีแสงสว่างเจ้าออกมาทำหัวน้ำตาไหลออกมาเต็มที่หมดเลยนะครับเราก็มาเนี่ยก็เอ๊มันอะไรเ้าเกิดเราก็รู้ว่าเออเกิดปิติแล้วก็รู้ว่าเออเกิดเราเกิดปิติอยู่นะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆกระจางลงแล้วก็ก็สงบเย็นลงยังอืเยือกเย็นลงไปเรื่อยๆๆนะฮะพอเดินสึงเอ๊เราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ทําให้เราเกิดนึกขึ้นมาว่าเอ๊มรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเกิด โดยเหตุปัจจัยทางนั้นถ้ามีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเราก็ทําให้ย้อนลงไปถึงเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้นประสบการณ์นะแล้วทุกวันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยไม่เคยลืมเลยป ร, ประทับจุดจุดในใจตลอดเวลาแต่จะทําให้เกิดอีกไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าอันนี้ก็ อ, อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ประสบการณ์เนี้ยมันเป็นอะไรกันแน่ครับ ก็อะไรจะเกิดไม่สําคัญนะครับสําคัญปีติเกิดมารู้ทันกอเห็นผ่านไปจือใจมันมีปัญญาขึ้นมาเวลาจิตมันเกิดปัญญาภาวนาไปได้ความรู้ความเข้าใจเนความรู้ความเข้าใจจากการภาวนาเนี่ยจะฝังเข้าไปลึกเลยคฝังแบบข้ามพพข้ามชาติได้เื่องใจได้เรียนรู้ไปด้วยคือตอนนั้นเนี่ยอ๋อขึ้นมาเลยนะอ๋ อ, อ, อไม่กว่าท่านตก แล้วเราจะขอับเรียนว่าผมเนี่ยควรจะทํำยังไงต่อไปคือว่าจะดําเนินทางหลวงพ่อเทียนคิศ ท, ที่ว่านี่หลวงพ่อเทียนนะครับจะดาเนินต่อไปหรือว่าลองทําที่หลวงพ่อสอนดูบ้างสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรครับหลวงพ่อเจียนเอก็สอนให้เราหลุดออก จ, จากโลกของความคิดมารู้ความจริงรอย่างการขยับ ตัวอะไรนี่ท่านจะบอกว่าขยา่าท่ารู้ปลุกตัวเองให้ตื่นนั่น<ะ>ก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่เปลือกมันแตกต่างกันซึ่งเปลือกหรือรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนต้อเลือกเอาเองไม่เรียนแบบกันไม่ได้หรอกนะถ้าของคุณถนัดขยั บ, ยบก็ขยับต่อไปนะ<ะ>แล้วก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในจิตคอยรู้ทันไปเรื่อย มันกิเลสมันมีหลายชั้นซ่อนอยู่เยอะแยะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปก็ใช้การเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมไปถึงเวลาก็เคลื่อนไหวมือตามรูปแบบอยู่ในชีวิตประจำวันนะจะขยับแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เหมือนกับเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะนะั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อปลุกความรู้สึกไม่ให้หลงยาวแค่นั้นเองที่ท่านขยับขยับนะเพื่อไม่ให้หลงยาว พอจิตตั้งมั่นแล้วนะถ้าเดินแนวหลวงพ่อเทียนได้แม่นแม่นจริงนะพอขยับแล้วจิตรู้สึกตัวแล้วก็เคลื่อนไหวไปจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราตั้งอย่างเนี้ยเดินปัญญาและ้ะถ้าขยับแล้วแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาไม่พอลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อรู้จักนะที่ภาวนาดีจริงๆมีหลวงพ่อคำเขียนองค์หนึ่งองค์นี้แหละดีเวลาเจอกันนะน่ารัก ท่นบอกาจารย์ปามุ่เราเป็นกัลยาณมิตรกันนะลอกเราไม่เคยสงสัยอาจารย์ปามุดเลยได้ไปเห็นครั้งแรกแล้ว <c oughs> ตอนไปเจอท่านครั้งแรกที่ท่านเป็นมะเร็งลุกขึ้นก็ไม่ได้ น, ะนอนอยู่ท่านก็บอกว่าโอ้ไปได้แล้วศา ส, นะ ส, สนามีคนรักษาแล้วบนะอกบอกผมไม่ไหวแล้วแนะี้ ท่านก็ดีนะตอนนี้ใครไปหาท่านนะท่านบอกให้มาหาอาจารย์ประมุถ้าใครมาหาหลวงพ่อนะถ้ารู้ว่ามาจากแถวชายภูมิไปหาหลวงพ่อคาเขียนเขาก็ไปบอกว่าเขาไปไปแล้วหลวงพ่อคาเขียนบอกให้มาหาหลวงพ่อประมุ่คือถ้าเข้าใจกรรมฐานเข้าใจธรรมะแล้วนะมันไม่มีความต่าง อย่าว่าแต่ความแตกแยกเลยความแตกต่างนะรู้เลยว่ามันต่างกันตามจริตนิสัยต่างกันที่รูปแบบของการปฏิบัติเนื้อหาสาระแท้ๆของการปฏิบัติไม่มีอะไรต่างกันเอาเบอร์สิบเอ็ดนะหลวพ่อนึกว่าเบอร์สิบเ็ดจะเป็นคนสุดท้ายที่แท้มีซ่อนอยู่ข้างหลังอีกดีที่โชว์นะงั้นนึกว่าหมดแล้ว นมัส ก, การหลวงพ่อประมโมท น, นะครับคือผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเวลาปฏิบัตินี่นะครับเวลานี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่เพ่งก็เผลอตอนนี้ของผมนี่ไม่เพ่งก็หลับครับตอนนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ให้เจริญอา่าให้ให้คําแนะนำด้วยครับอาจารย์พยายามเคลื่อนไหวไหม เ, เคลื่อนไหวไหมอาจารย์เคลื่อนไหวไหมใช้ความเคลื่อนไหวใช้ร่างกายมาช่วย <นะ S 2> ตอนนี้ถ้านั่งสมาธิก็จะเคลื่อนไหวแบบไหนอาจารย์เคลื่อนไหวยังไงก็ได้นะเนีย่ยสมัย หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อมีพัดเดือนนะนั่งพัดแต่อยู่เมืองนี้หนาวๆคงพัดไม่ไหวนะถ้าร้อนๆก็นั่งขยับอย่างเี้ย น, นั่งแล้วก็รู้สึกตัวแค่พัดนี้นะก็คือหลักเดียวกับหลวงพ่อเทียนนะเลื่อนไหวแล้วรู้สึกเลื่อนไหวแล้วรู้สึกของคุณต้องเอาร่างกายมาช่วยนะครั บ, รบถ้าไปดูจิตล้วนๆเดี๋ยวมันจะหลับไปครัคือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุสี่สิบแปดอัปนะอยู่นิ่งไม่ได้ลนะโดยธรรมชาติครับครับนะ <laughs> เดิต้องเอากายช่วยหลพ่อบวชนะขนาดพอนาน ม, มาแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบพอนา ม, มาตลอดเลยเพอะบวชแล้วมันนั่งสมาธิเดินจงกลมจะหลับเอานะเพราะร่างกายมันซุดโซมลวงนะแล้วต้องใช้วิธีเคลื่อนไหวเขขยับไปนั่งพัดไปเรื่อยนะมีพัดอยู่อันนะไปไหนก็ถือไปเรื่อยเคลื่อนไหวไว้ครับครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะจะเห็นนะหลวงอไม่เคยหยุดกระดิกเท้าเลย ถ้ามีโต๊ะเนี่ยก็ดีหน่อยซ่อนได้จะขยับไปเรื่อยเรื่องความเคยชินเรียนยเียนถามอาจารย์อีก อ, อีกข้อนึงครับตอนทุกปีนี้ผมกับภรรยาจะถือสินแบตแล้วรู้สึกว่าตอนถือสินแบตนี่พราะมีศินและสติจะเกิดขึ้นดีมากขึ้นกว่าเดิมดีเพราะาเราถือเป็นคราวๆน ะ, ะแต่ถ้าถือสินแปดทุกวันนะมันจะดือด้อๆไปใจมันจะดื้อด้าือมินก็นไม่ค่อยเกิด หือเป็นคลาวๆพระราชรท่านนี้หลวงพ่อแนะนานะถ้าจะถือศีลแปดเนี่ยให้ถือเป็นครั้งคลาวถือตลอดลาบากนะถือตลอดอย่างถ้าเราทำงานหนักๆตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วไม่กินข้าวเลยนี่ลำบากหรือบางคนทำงานเนี่ยตั้งใจถือศีลแปดตอนพักกลางวันก็เที่ยงแล้วไม่ได้กินแล้วสักพักเดี๋ยวก็โสมยั่งถือเป็นครั้งคลาว พระคุณอาจารย์ครับสามสิบสองสามสิบสองการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือมีคำถามตรงนี้ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยจิตใจมีเรื่องทำให้จิตใจเศร้าหมองแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยไม่เป็นอุเบกขาไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้มีสติคือมีสต สติที่ว่าจะรู้ว่าควรจะเป็นกลางค่ะคือถ้ามันมีความทุกข์มากมีความเศร้าหมองมากน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญานี่บางทีสู้ไม่ไหวต้องช่วยมันบ้างนะสอนมันปลอบใจมันพามันคิดนะนั่งบริกรรมไปเรื่อยว่าทุกอย่างนี้มันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยเข้าไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบริกรรมไปเรื่อยนะคืออยู่ๆไปดูตอนนี้เราดูไม่ไหวแล้ ช่วยมันหน่อยปลอบมันปลอบมัน่นเดี๋ยวความทุกข์นี้เดี๋ยวปัญหานี้มันก็ต้องผ่านจนได้แหละหใจมันสบายใจมันร่มเย็นขึ้นมาแล้วก็ค่อยดูต่อยี่สิบหนึ่งมีคนหนึ่งนะเป็นด็อกเตอร์มาเรียนที่อเมริกานี่แหละเรียนเรียนอยู่ทางซานตานเขาวันหนึ่งมาส่งกันบ้านบอกสติแตกหมดแล้ว ทำไงก็ไม่ไหวแล้วนะนเครียดจัดเลยหลวพ่อถามบอกว่าชอบทำอะไรบ้างบอกเขาชอบฟังเพลงคลาสสิกบอกต่อไปนี้เลิกปฏิบัตินะไปฟังเพลงคลาสสิกให้จิตใจมีความสุขพอจิตใจมีความสุขจิตใจจะเริ่มสงบจิตใจสงบแล้วค่อยภาวนาต่อนะฟังเพลงคลาสสิกมันไม่บาปกรรมอะไรนี่วันยี่สิบหนึ่งคือการภาวนานะต้องรู้จังหวะเหมือนกัน หากโหมมากจิตทนไม่ไหวตอนนี้ต้องถอยบ้างแต่ถอย้วไม่ถอยออกนอกรูนอกทางอ่าจดคนสุดท้ายละกราบพระนรสรการหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เวลาบางทีโยมปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยบางทีความคิดไม่หยุดเลยอะคะ่ะหลวงพอ่อเราไม่ได้ห้ามน ะ, ค, ะคือเรามองเห็นแล้วว่าเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นั่นแหละนะความจริงแหะจิตมีหน้าที่คิด หวงดูลสอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดในขณะที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้ในขณะที่รู้จะไม่คิดแต่ท่านบอกให้อาศัยคิดหมายถึงปล่อยให้จิตมันคิดไปตามธรรมชาตินี่แหละแต่พอคิดแล้วเกิดความสุขให้รู้ขณะที่รู้เนี่ยความคิดจะดับเราไม่ได้ฝึกเพื่อดับความคิดนะ ก็ก็ตามดูรู้อยู่นะครับหลวงพ่อแต่บางทีมันมันวิ่งเร็วมากนะครับให้ให้ไปรู้ทันตัวหนึ่งนะมันมีปฏิฆะเกิดขึ้นมันไม่พอใจทำไม่พอใจนะให้รู้ทันกิเลสตัวนี้เราอยากจะหยุดแล้วก็อยากไม่ไม่แต่หละใจมันมีปฏิฆะขึ้นมาไม่แล้วจะทำก็ก็ดูตามรู้ไม่ได้ฝึกตั้งตั้งหลักให้ดีนะไม่ได้ฝึกเพื่อให้เลิกคิดนะพระอรหันต์ก็คิดนะพระพุทธเจ้าก็คิดนะแต่คิดแล้วไม่เกิดกิเลส พอเราคิดแล้วกิเลสมันแทรกหลวงพ่อนะเรยกย่างโยมนี่ดูจิตนี่ใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้นี่ใสโ ย, ยมที่โมโหดูจิตเนี่ยดูง่ายมากเลยนะแต่ตดูไปดูไปแล้วมันโมโหขึ้นมามันขัดใจขึ้นมาอีกให้รู้ทันลงไปเลยมันไม่เป็นกลางนะอ่ะอ่วแถมอีกคนหนึ่งสามสิบหก แถมได้คนเดียวแล้วนะ36กับน่มัสการกับหลวงพ่ออันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวที่ยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือด้วยชีวิตประจำวันและเนื้องานเนี่ยจะเห็นเกิดแก่เจ็บตายเออก็เกิดความรู้สึกหดหู่เป็นทุกข์ เราก็พยายามบอกว่าเออหยุดคิดเพราะถ้าเราคิดเนี่ยเราก็ยิ่งหัวหูแต่เหมือนกับไปบังคับจิตไม่ได้ทําไม่ได้มันก็เลยยังไม่รู้จะแก้ไขตรงจุดนี้ยังไงใ ห, ให้รู้ทันความหดหูที่เกิดขึ้นพอจิตอยากให้หายหัวหูให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นให้รู้ทันจิตของเราเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นวิธีหนีโลกนะไม่ใช่ว่าจะต้องเลิกคิดต้องเลิกยุ่งกับโลก อยู่กับโลกมีอยู่กับความคิดนั่นแหละแต่ความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจหดหู่ให้รู้ทันอยากให้หายหดหู่รู้ว่าอยากดูเข้าไปตรงๆ ร, รู้เข้าไปตรงๆเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คื อ, อเป็นคนขี้ราคาญเนี่ยยังไม่รู้จะแก้ตรงนี้ยังไงไม่แก่นะ <laughs> ให้รู้ทันว่าจิตมันราคาญเองมันก็จะราคาญไปเรื่อยอ ย, อย่างเงี้ยไม่หรอ ก, รอกแต่แปรมจะเห็นเลยความราคาญไม่ใช่จิต จิตไม่เคยลาคาญเลยความลำคาญเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วฝึกไปจนชำน้ชำนาญ น, นะต่อไปไม่มีลาคาญซักนิดหนึ่งก็งไม่มีนะได้พระนาคาเมื่อไหร่สบายไม่ลำคาญแล้วก็ฝึกฝึกดูมันไปเรื่อยๆใช่ไหมยะใช่ฝึกรู้นะไม่ฝึกแทรกแซงไม่ฝึกบังคับไม่ฝึกแก้ไขนะ คืถ้าฝึกดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ทันเราก็จะช่วง เ, เวลามันก็จะสั้นลงสั้นลงเราจะรู้ไตรลักษณ์เราจะรู้เลยว่าจิตจะปลุกความลำคาญขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกจิตจะทุกข์ขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกสุดท้ายก็จะเห็นเลยจิตมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนจะนะเห็นเหมือนเป็นคนอื่นไปนะใจไม่ทุกข์ละ อ, อ่ะแล้วนะพอสมควรแนละ้วกราบขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับ อพรุ่งนี้มีอีกนะครับก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ด้วยสําหรับครั้งที่สองพ่อกําเคียงเคยมาที่นี่สองครั้งก็กราบนิมนต์หลวงพ่อไว้รองหน้าด้วยไปไหนนะเคยมาที่นี่สองครั้งหลวงพ่อกาเคียงก็นิมลลนต์หลวงพ่อไว้ ร, นนรอบหน้ากนะัพรุ่งนี้ถัดไป <c oughs> ครับอคืนนี้มีอีกรอบนะฮะเป็นของฝรั่งมาฟังได้แต่อย่าไปแย่งเขาถามฮ ทุ่มหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอีกรอบ9โมงถึง11โมงขอบพระคุณลงมากหลวงพ่อมากครับประเทศฝรัง่งฟังแล้วผหลวงพ่อปวดหัวะนะเราพูดกับเขาไม่เป็นอ่ะคุณหมอต้องแปลใช่ไหมคุณหมอตานเย็นอ่ะคุณหมอมันนั่งตรงนี้เลยนะ่ยมันนั่นงแปล